ไปนะครับเข้าไปนะนี่มันดูต้นมันหญ่กับร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอใช่ไหมครับร้อสิบห้าพิสูรูปใดปูร่าเองก็ดีใช้ให้พืชปูร่าก็ดีซึ่งที่นอนในวิหารของสงที่ที่ปวกจะขึ้นเมื่อจะหนีไปไม่ยกขึ้นเก็บเองก็ดีไม่สั่งผู้อื่นให้เก็บก็ดี ซึ่งที่ตอนนั้นหรือว่าเพ่งหลกไปโดยไม่บอกกล่าวต้องอา บ, บป่าจิตตีเมื่อเดินเลยรู้ว่าวัดหรือเห็นวัดแห่งวัดที่ไม่ได้ร้องไปอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะเมื่อกี้นระาเอากองจากกุฏินะครับไปตั้งไว้การแก้แต่ในสุดท้าบวนนี้ที่ต้องบอกคือไปตั้งว่าในกุฏิอะไรนะครับเอาที่นอนนักใส่ยัง ที่นอนท่านจะที่บ้าว่าที่นอนสิบอย่างนะครับที่นอนสิบอย่างมีฟูกมีเสืออะไรพนี้เป็นต้นนะมีฟูกมีเสือท่อนหนังผ้าคุณนั่งผ้พาผุณนอนอะไรเป็นต้นนะครับเดี๋ยวจะไล่ฟังสิบอย่างนะอันนี้แหละไปปูไว้นะครับในมิหารของสงมีหารนี้ก็หมายนึงกุฏิที่อยู่นะที่เราเป็นของสงเราเข้าไปอยู่นะครับแล้วก็ปูไว้ที่ไี่ปวดจะขึ้น ต้องเป็นกุฏิที่ปวกมันสามารขึ้นได้นะครับที่ทั้งก็แบบข้อนี่ยนะไ<ม>อะ้ที่มันเป็นกุฏิดินถูกไหมครับหรือว่ากุฏิไม้นะมันกันปวกไม่ได้ใช่ไหับปวกมันจะขึ้นนะถ้ากุฏิไม้หลังไหนกันปวกได้ก็มันจะไหนนี้ที่กันปวกไม่ได้มี่โลแล้วไม่กี่โลแล้วนะครับเขาบอกเป็นเลยครับแต่ว่าถ้ากุฏิดินก็ต้องระวังนะ ยังสมัยของเขาเป็นกุฏิดินใช่ไหมครับมาทีป่วงขึ้นนะนี่ยอย่างนี้นะครับต้องเป็นกุฏิลักษณะ น, นั้นถ้าเป็นกุฏิปูนะที่ป่วงไม่ขึ้นอยู่ได้วมันเป็นไรนะครับแต่ถ้ากุฏิปูหลังไหนป่วงจะขึ้นอันนั้นก็จะเข้าในสื่อขามบทนี้หน่วยนะเพอมันไม่ได้เป็นปูทั้งหมดมันก็มีส่วนที่มันเป็นไม้อยู่ใช่ไหมครับและป่วงมันจะเข้ามาตัง้งลอยล้าวตามช่องบ้านไหนนีะเนี่ยอ๋อเส้นลักษณะอย่างนี้นะครับ เราที่นอนสิธอย่างมีเสื่ออะไรเครื่องว่างนะครับถ้ากูนอนเป็นต้นนี้นะไปปูไว้นะครับแล้วทีนี้เมื่อเราจะหลิดไปจ่อไปจากวันงนั้นเลยนะอันนี้ไม่เอาแล้วดุบาทนะครับหมายความว่าเราจะย้ายว่าจะไปที่อยู่แล้วอนี่นะจะไปที่อยู่แล้วไม่เก็บเองไม่ใช้ใชเก็บหรือไม่ได้ห บ, บอกมอบหมายนะครับเหมือนเดิมน่ะเหมือนเดิมแล้วก็เดินออกนอกว่างไปนะครับอันนี้ต้องบัตปาจิตติ เมื่อเดินเลยรู้ว่าของว่าที่มีรู้ว่าถ้าวัดที่ไม่มีรู้ว่าเราก็นัําจากเซนาชนะหลังสุดท้ายนะแล้วก็เฟี่ยงไปสองตุ๊กนะครับ mm hmm. ที่อุปจาราวัดใช่ไหม mm hmm. เฟี่ยงไปสองตุกเลยตรงนั้นไปนะครับได mm hmm. ้ดูบัตรที่สองไปเนี่ยก็ต้องบัตไปตีในสิกขาบนอีกนะครับ mm hmm. แต่ถ้าเป็นหน้าว่าเราเนี่มันมีกําแพงแล้วใช่ไหมเราก็เอากำแพงวัดเก่งๆนะครับ mm hmm. เดินเลยออกไปก็ต้องทำบัตร แต่ถ้าด้านไหนที่ไม่มีกําแพงเนี่ยแล้วใช้เสี่คงออกนี่ที่มาค้างๆทีนี้ก่อนนะครับแล้วทําไมเอทําไมไปปูไว้แล้วท้ายต้อองาแบบมันเป็นโทษนังไงคือถ้าไปปูผู่นี้ไว้นะครับปูมันจะขึ้นทีเมื่อมันขึ้นนี้าเราปูเสือบอ่ะเห็นไหมปูเสือปูสาปูอะไรไหมนี่นะครับแล้วปูมันจะขึ้นมากินนะ และเวลากินมม่ได้กิน เ, เ, เด๋ยวพ่อไอเสือสาดอีกเดี้นะครับมันจะรามมันกินมุติทั้งหลังเลยถ้าไมนมีใครดูลแลนะมันจะรามมันกินข้างหลังเลยนะคะรับงั้นที่การทําันเลยมีเพื่อนนะมีเพื่อนต้นฝักเป็นอานปายจริงนะครับทีนี้มาดูต้นบันหยนว่ามาจากใครต้นบันอยานนี้มาจากท่าสัตตะสาวกีนะครับพวกสุเจษ โดยสมัยนั้นพุทธภาพพระเจ้าประทับอยู่หนพระเชตวันอรางของอนาถานวิริยะข้ามบริเข็พระนครสามทีครั้งนั้นพระสัตรุษสามวันคีมีพวกสิบเจ็ดรูปเป็นสหายกันเมื่ออยู่ก็อยู่พร้อมกันเมื่อเล็กไปก็เล็กไปพร้อมกันข้ามเพื่อนกันนะมีพระอุบาลีนะครับเป็นหัวหน้าแต่อุบาลีพระละครแบบที่เป็นเอตสระท่สมพระมีนายนะครับไม่ใช่เนาะ อุบาลีสัตวรักษาวิเครยเป็นเด็กอย่างพวกนี้เป็นพรงเด็กนะตอนนั้นทงยังไม่ได้มี็นอิสราหมดนยครับเขาก็บวกร่างมือยัเป็นเด็กเลยนี่ก็เป็นเพื่อนกันไปมาที่ไหนอะไรก็ไปด้วยกันนะครับพวกเธอปูที่นอนในมีหารเป็นของสองแห่งหนึ่งแล้วเมื่อหน็กไปไม่เก็บเองไม่คนอื่นเก็บซึ่งที่นอนนั้นไม่ได้มอบหมายหน็กไปเซนาสนะถูกปวกกลั่นนะครับ บรราพิสุผู้มากนะ้ยสันดษต่างก็เ่งเทิเต็มมุทะนาว่าฉนัยปัสตรัสสาวคีปูที่นอนในวิหารเป็นของสองแล้วเมื่อหลิีไปไม่เก็บเองไม่คนอื่นเก็บซึ่งที่นอนนั้นไม่ได้บอกมอบหมายแล้วหลิีไปเซนาสนะ จ, จึงได้ถูกบุกกดแล้วกราเมือฝันแบบมพระเจ้าพู้หลวงก็ไปชุมสงทรงสอบถามทรงติเตียนแล้วก็ไม่เห็นามหลุดนี่งข่้นม ความจริงเราเก็บถ้าเก็บได้ เ, เก็บเองหรือว่าใช้คนอื่นเก็บนะครับมีเงนไปดูถือลูกหามีเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะ่าเราต้องนีบไปใช่ไหมเราก็บอกใหเก็บให้ถ้าบอยคนเก็บก็ยังไม่ทันอ่ะไม่เห็นคลาดที่จะช่วยเก็บเได้เลยใช่ไหแล้วก็บอกหม้อหมายบอกหม้อหมายใส่ครับล้วก็บอกพัชนาที่สนะชนะท่าได้ครับเราคุยคุณฏีสนะชนะแล้วก็บอกท่านเนี่ยเราไปปูละอะไรไม่เป็นไร โอ้ผมไม่มีเวลามันต้องรีดไปนะครับผมไปปูละอะไรไในกุฏิทรงเนี่ยนะแล้วก็ไปนะครับหรือว่าแก่พิสุสัมมาเนยก็ได้คัอย่างเมาื่อวานนะบอกแก่พิสุสัมมาเนยหรือแม้แต่คนวั่นน่ะผู้มีความละอายในชะ่ไหมสำคัญว่าเป็นถึงตัวเองจะต้องเก็บ น, นะครับแล้วก็บอกบุขคนหลังก็ได้มองหมาจากแล้วก็ไปนะทีนี้เขาก็จะช่วยเก็บไปนะแล้วก็ของก็ยังไม่เสียหายนะครับ เขียนโน้ตบอกไว้ได้ไคเขียนโน้ตบอกเลยนะมันไม่อชัดเจนในคาจริงเขียนโน้ตไว้โน้ตไม่บอกใครนะแล้วไม่ดูออ๋อเขียนติดมาเลยก้คงได้แล้ว้าคนที่ด้บมหมายอะได้เก็บบัตรัคระคะบัตรท่านก็ไม่ต้องทำบั ก็ไม่มีอาบัติแล้วถ้าาเป็นภานที่เดี๋ยวก็ต้องขวานเก็บแล้วท่านไม่เก็บท่านก็ไม่ต้องรรรรอาบ<ม>ัติคนที่ต้องเป็นคนที่ไปปูไปล่านั่นแหละแลไาานะาามายอมเก็บท่านหรือว่ารำก็รำก็ไว้ใจมันก็จะเก็บให้เน<ม>ี่ยด้านข้าวมายอมเก็บให้ใช่ไหมตรงนี้ก็ไม่มีใครต้องนะไม่ ม, ไมีใครต้องเพราะว่าคนปูล่าก็ได้สางมาแล้วใช่ไหมคนที่สารขาก็มาได้ปูล่า เขาบอกม่ได้ใช้สอยเลยนงครับอันนี้ก็เลยไม่มีการตั้งอันบาทเลยแต่ว่าถ้าเป็นข้อก่อนะข้อก่อมันในเกียร์นะที่เอาไปตักต่างกันจะเห็นใช่รับไอตรงนั้นนะใครไปใช้สอยนะคนนั้นต้องรับผิดชอบเหมือนเช่นว่าตอนแรกเราไปปูร่างว้ก่อนใช่ไหมไปตั้งเตียงต่งไว้นะครับเราถ้าย่งนี้ไม่มีใครมานั่งมาใช้สอยนะคนที่ไปตั้งต้รับผิดชอบไปก่อนเรื่อยๆนะครัไม่ช่ไก่อนเรื่อย ก็เมื่อนคนอื่นเข้ามานน้งแทนอย่างนี้แหละ<ม>เข้ามาใช้สายแล้วนะคนที่นั่งอาจจะรับผิชอบนะครับเราเข้าไปได้อย่างที่ผู้ฟังสูงว่าถ้าเกิดมีการอะไรนะต้องการสนทนามิปัสะนางการแจ้งนะครับอาการมันหนาว่างนีนะมาล้องมการแจ้งอะไรเอาต้ะเอาฝังเป็นปูล่ามาการแจ้งนะครับทีนี้คนที่เอาไปตั้งไว้ก็พันเนนน้อยทั่วไปใช่นหครับแต่ทีนี้คนไปใช้เนี่ยก็หลายรูปนะ นะครับก็คนที่ไปใช้นย้นต้องรับที่ชอบนะครับก็อีใครก็อีมาหรือว่าจะสั่งใครก็ได้ให้เก็บให้นะครถ้าไม่ได้สั่งมนนันะโดนะนนี่นะนะครับอันนี้หน้าที่รอนสิบอย่างเนี่ยนะคะที่นอนสิบแต่ไอนไม่ควรนิ่ง น, นะแต่ยังไงก็ควรที่จะบอกกล่ก่อนที่จะไปนะครับถ้าที่มาวันนี้แล้วก็จะไปวัดอื่นนะ ถึงพานจะนั่งทิศนาสนะไม่อยู่นะครับเราก็ต้องบอกท่ารุ่นอื่นที่อยู่นะถ้ารุ่นที่อยู่ในวัรุ่นไหนก็ได้นะคเราก็บอกเขาเพราะว่าเป็นธรรมเนียมว่าของพิสูจน์ูดจะไปนะก็ต้องบอกลาพิสูจนที่มีอยู่ในวัดก่นะและค่อยไปนะครับ้แล้วต้องมีหวาต้องเเหตุว่าต้องไปได้ในคได้ีไม่ต้องบอกลาไปเดไม่ต้องบอกไปเนดะ ไ, ไม่ต้องบอกนะไป <c oughs> <c oughs> มันรี่เฉยใช่ไหมมันก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้บาอยาง่เขาบิดบางอยางจไปได้โดยไม่ต้องบอกลาไปไปได้แต่คืนนั้นอะไรเป็นยงอันนั้นอีกสองกทิดอันนั้นอีกข้อนะไปนี่ไม่ต้องบอกลาวิสุทธ์ที่มีอยู่ในว่าเพราะว่ามีอันตรายบางอย่างได้ได้เกิดป่วยแต่คันหันต้องท้องลมบ้าปั๊มไม่ทานนี่เงี้ยต่อได้ต่อได้หรือว่าเกิดไฟไหม้ว่านี่เงี้นะ มันต้องไปเอาอะไรเนี่ยเป็นเรี่ยโยหรืว่ามันมีถือมมีโทรศัพท์ใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีรโทรศัพท์นะก็ต้องไปเรี่ยนโยหรือว่าหาแม่มาดับนี่นะครับอันนั้นก็ไปต่อนได้ไม่ต้องบอกาใครเขาไม่ได้ไปเลยนะแต่ไปแล้วก็จะกลับมาอีกนะครับเกี่ยวการเข้าไปในบ้านในเวลาพิการนะครับอันนี้ท่านบอกว่าที่จะต้องบังคือกุฏินะนแสดงที่ปวดจะขึ้นได้นะครับที่จะต้องนะ แต่ถ้าบอกว่าถึงปุติสนาสนัที่ปวดไม่ขึ้นครับขึ้นไม่ได้นะเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ควรจะบอกหลังก่อนที่จะไปเพราะไปทําเนี่ยวขาไมิจุลที่จะไปนะไม่ใช่มาก็มาใช่ไหมภาษาเนี่ยภาษาไทยอะไรไปลามาว่าใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเข้าภาษาอังก่ษ ก, ก, ก, ก็บอกก่าวก่อนว่าเป็นเจ้าถิ่นแล้วได้จากไป ไม่มีอาบาักอะไรนี่นะม่มีอาบาัตอะไพอท่านปูไมในกุตินะะมันในปู่า ก, การแนะ<ม>ทีนี้จะพูให้ฟังที่น้องสิบอย่างนะครับในกามขาหนีหรืเอเปล่าในกามขานี่ก็มีอ ก, กันครับมาดูในกาาเหน้าหนึ่ง้อยเจ็สิบเอ็ดนะอธิบายทุติยัเสนชนาสนาิขาบุ ในสิทธาบทที่ห้ามีการอธิบายความดังต่อไปนี้คําว่าในวิหารคือในห้องหรือในเสนาสนะที่มีการมุงบงังแห่งใดแห่งหนึ่งตามที่ได้กล่าวไปแล้วครับได้กล่าวไปในเรื่องอะไร น, น่าจะเรื่องอะไรนอนร่วมหวานร่วมบันใช่ไหมกุฏิที่อยู่เป็นยังไงครับมุงทั้งหมดบังทั้งหมดอะไรเป็นต้นนะอืครับคําว่าที่นอน ที่ชื่อว่าที่นอนนะครันนี่หมายถึงสิบอย่างเลยนะนไ่้แก่กู้นะครเค <c oughs> รื่องล่ารักษาผิวพื้นเขาบอกเป็นเครื่องปูล่านะที่ก็จะปูล่าไว้ก่อนที่จะปูพงหรือปูเสื่ออีกชั้นหนึ่งเพื่อรักษาผิวพื้นนะครับพื้นข้าอาจจะดีนะอาจจะขัดนะครับมักนก็แล้วแต่นะเขาจะมีเครื่องล่าก่อนชั้นหนึ่งก่อนที่จะปูเสื่อลงไปนะครับอันนี้ไรือชื่อว่าเครื่องล่ารักษาผิวพื้นเครื่องล่าเตียง ก็เป็นผ้าเป็นหนังอะไรนะที่สมควรที่จะลากเตียง น, นะครับก่อนที่จะปูผ้าปูนอนแล้วก็นอนไปนคเครื่องลากพื้นนะครับก็ได้แก่วพวกเสือนะเสือลำแพนเสือน้ำมันเสืออะไรก็แล้วแต่นะครับดีขนาพื้นเสื่ออ่อนนะครับเสื่ออ่อนคือยังไงที่ทําด้วยอะไรนะครับเสื่ออ่อนที่ก็สาดด้วยกบทันต้ น, นะครับ เนี่ยต uhm, so so oh ้องกบนะครับอืมเสื้อออกที่สายน้องกบกบกบนะน้องกบนะครับน้ำยากบน้องกบนะครับหรือว่าใบตาอะไรเนี้่นะมันเรียกว่าเสืออ่อนนะครับท่อนหนนะครับท่อนหนังนี่ก็มีสารละค้าเลยนะหนังเสื้อแข็งใช่เสือแขงเขาว่าเครื่องรากพื้นนะเสื้อลำแพนเสืออะไร คเนี่เสือลำพรอมอะไนี่นะี่แหละมันน่าจะงลที่ขับได้ับไม่ได้ับเพราะว่าคือยังคมเนี่ยก็ขับได้เกณเสือออนมันก็น่าขัได้แต่คำว่าเสือแข็งเนี่ยมันน่าจะเป็นามันไม่น่าจะับได้ถ้าไม่ได้พูดเสือแข็งเนะี่ยาใช้สว่าเครื่องล า, อ า, ากพื้นเฉยท่านก็อธิบายถึงว่าเสือลำพังนีง่เสือลำพองเสือลพั เสือลำแพงเข้าถานรุ่ยไม่ผ่นสมัยก่อนนะเห็นไหมช่างสาลที่เราไปถักเสือลำแพนกันนะครับตรงนี้ไม่มีตรงไนตรงนี้นะครับนี้นะเครื่องลางนะครับมีเสื่อลำแพงเป็นต้นที่ควรลากนว้บนพื้นนะครับแล้วก็สองข้อพวกผมพวกอะไรได้หรือว่าเ ส, lantern, color, สื่อแข็งนั่นได้ เสืออ่อนก็ที่ทําด้วยใบตาลทําด้วยเปลือกปอนครับอันนี้นะ่าชื่อว่าเสืออ่อนหนังเนี่ก็จะมีอะไรหนังสันนะครับมีหนังเสือข้อหนังสีหานะ่าะจะสีหนังเสือข้อเสือเหนือเสือดาหนังหมีเป็นต้นนะครับหนังชิ้นดชิ้นหนึ่งนะชื่อว่าแผ่นหนังคือหนังพวกนี้เพถ่าบอกว่าอชื่อว่าหนังจริงอยู่ชื่อว่าหนังที่กั้นห้า ในการบริโภคสินาสนานะไม่ป า, กการาบโกนัตคาถาทั้งหลาย mm hmm. คือถึงแม้จะเป็นหนังของสัตว์ลายนะหนังเสือหนังลาจีสีพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่อใช้ประจำสินาสนานะนะะไม่มีการห้ามไวนะครับแต่ถ้าเป็นของส่วนตัวนะอันนี้ไม่ได้นะครับหนังสัตว์ลายเนี่ยนะจะมาใช้ของส่วนตัวไม่ได้นะครับท่านบอกว่าพ่อใหญ่นะบดิปพึนซ่าว่าห้ามเฉพาะในการบริหารหนังสีสันเป็นต้นนะครับถ้าใช้เป็นของส่วนตัวไม่ได้ ถ้ามันเพิ่ใช้ประจำศีนศาสนานี้ไม่เป็นไรนะน่ามังแว่าเป็นสิ่งที่แยกโยมทิ้งไว้ยกนะแต่ว่าคณะบวชจะเอาจะเอามาเป็นของตนเรียกว่าเรีกร้องสิ่งนี้เอาเป็นของตนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สงตัวนล้นไม่ได้ครับนะบแล้วก็ผ้าเช็ดเท้าใช่มัมเมื่อกี้ท่อนหนังแล้วก็ผ้าปูนั่งเหรอผ้าปูนั่นไอ้รูแล้วน้านิสิตนา ผ้าปูนอนนะครับเออันนี้ข้ามตัวหรือเปล่าทำไมตัวนี้มันมีเอาไม่ข้ามไม่ข้ามตัวนะครับผู้นอนนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเครื่องรากทําทด้วยหญ้าเครื่องรากทําทด้วยใบไม้จะครบสิบพอดีนะนะครับ น, นี่ครบสิบพอดีเลยเริ่ตั้งแพวกตั้งแ บ, บ่พวกหนึ่งนะครับเครื่องรากรักษาผิวพื้นเครื่องรากเตียง เครื่องร่างพื้นเสื่ออ่อนท่อนหนังผ้าปูนั่งผ้าปูนอนเครื่องรางทำด้วยยา่าเครื่องร่างทำด้วยใบไม้ก็จะครบสิบพอดีอบรรดาที่ดอนเหล่านั้นที่ชื่อว่าเครื่องล่างรักษาผิวพื้นโอ้ท่านก็อธิบายพูดไปพอใช่ไหมไม่เป็นไรได้แก่เครื่องร่างที่เขาทําไว้เพื่อรักษาผิวของพื้นที่ทําด้วยปูนขาวเป็นต้นอ๋อสมัยก่อนเป็นปูนขาวเนี่ยพวกทนปูเครื่องล่าง นั้นไว้ข้างล่างแล้วปูเสือลำแพนท่ำไว้ข้างบนนะรครับ <c> ที่ชื่อว่าเครื่องล่าเตียงได้แก่เครื่องล่าที่ควรปูไว้บนเตียงนละต่างเป็นต้น guidance? ที่ชื่อว่าเครื่องล่าพื้นได้แก่ประเภทเครื่องปูล่านะครัประเภทเค <c> รื่องปูล่ามีเสือลำแพนเป็นต้นที่ควรปูไว้บนเครื่องล่าลักษณะผิวพื้นเนีๆๆย่ย อ่าหรือเมื่อไม่มีเครื่องปูล่ารองพื้นอย่างนั้นก็ปูไว้ที่พื้นเลยไม่ต้องมีอันอะไรรองก็ได้ทอดเป็นสื่ อ, อยแล้วนะถ้าไม่มีเครื่องรองทอีก็ปูไปก่อนได้เลยเสื่อลำแพหรือว่าเสื่อน้ำมันเนี่ยมันก็รักษา<ม>ถึงพื้นได้นะครับ ต, ต่อไปเสื่ออ่อนได้แก่เสื่ออ่อนที่เขาทําด้วยใบายตาลเป็นต้นชื่อว่าเครื่องรักหนังได้แก่แผ่นหนังชนิดชนิดหนึ่งนะครับ ยิงอยู่หนังสีหาเป็นต้นพุทธภาคเจ้าทรงห้ามเฉพาะการใช้เปของส่วนตัวเท่านั้น น, นี่ครับไอ้พวกหนังสักลายนะหนังสักล้ายนะครับใช้หองส่วนตัวไม่ได้แต่ที่ใช้ในเศนาสนะชื่อว่าที่ไม่สมควรไม่มีนะครับได้ทั้งนั้นนะขณะเป็นเงินเป็นทองอยังได้เลยครับเตียงทองคำเนี่ยนะ<ม>เกิดใครรวยมีศรัทธามากๆใช่ไหมครับ โต๊ะเตียงต่างอะไรเป็นทองคําไปหมดเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรถนะ้าเป็นเครื่องใช้ประจำนาสนะครับที่ขายร่ายฟ้าที่ประเทศพม่าใช่ไหมก็เอาแผ่นทองอ่ะมาปูไว้ที่ศาลาอะไรนี่ครับปูครับเ้าก็ไอ้คาบแผงไม้หนึ่งขีดนะปูแผ่นทองร่ากันเลยครับในศาลาถ้าเขาไปใช้สอนก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันเครื่องใช้ประจำศาสนา ต่อไปนะครับที่ชื่อว่า ustedes, ผ้าปูนอนได้แก่ผ้าปาวานและโกเชาผ้าปาร์วาเป็นยังไงผ้าปาวานเนี่ยนะครับไปดูแล้วนะเขาอธิบายก็บอกว่าเป็นผ้าเป็นเครื่องปกปิดสีนะเขาแข่นี้นะครับผ้าเป็นเครื่องปกปิดสินะชื่อว่าผ้าปาวานมีแตกเหมือนกันนะก็แม่ม้ามึงมาห่มแล้วก็ว่าคุ้มละ ผมคิดว่าเป็นภาพใหญ่ๆนะพวกนี้ภาพมันใหญ่ๆนะครับ mm hmm. ท่านก็ที่บานอย่างนี้หละนะ mm hmm. ภาพมันเครื่องปกติซาดีล่านะครับส mm ่วนผ้าโกชาวก็คือเป็นเครื่องราก ข, ขนสัตว์ที่มีขนข้างเดียวหรือเครื่องรากขนสัตว์ที่มีชายสองข้างเป็นต้นนะครับ mm hmm. อันนี้ว่าผ้าโกชาว mm ์ hmm. เครื่องลากของที่ขนสัตว์แล้วก็มีชายนะครับ mm hmm. ต่อไปคําที่เหลือ ปรากฏชัดเจนแล้วรู้ความดังว่ามานี้บรรดาเครื่องปูนอนทั้งสิบอย่างนี้เครื่องนอนแม้ชิ้นเดียวที่ตนได้ามาตามดักพรรษาเพราะว่าแจกตางมดักพรรษาใช่ไหมแจกให้ถือเอานะครับันไม่ได้แจกเลยอย่างนี้นะแต่แจกให้เอาไปใช้ก็แจกการนอนดักภรรษานะครับล้าดไว้หรือให้ผู้อื่นล่าดไว้พิสูจใดประสงค์จะเดินทางไม่ยอมเก็บหรือไม่ได้วางให้ผู้อื่นเก็บให้ ด้วยการเก็บไว้ในที่ปลอดจากกลัวหรือไม่ได้มอบไว้ให้เป็นหน้าที่ของผู้อื่นโดยในดังกาและในสิุขาบุตกรก่อนเดินไปเสียเมื่อพิสูจนั้นเดินเลยรั้วของวัดที่มีรั้วและเลยประจานแเห็นวัดที่ไม่มีรั้วสองตงุ๊กหน้าเลยนั่งตาก้าวแรกต้องบัตรกฏิก้าวที่สองต้องบัตรตาสิตี ในสถานที่ใดไม่มีความกังวลเรื่องปวยเป็นกุฏิปูนเป็นต้นหน้าเนี่ยป่วยไม่ขึ้นนะครับในสถานที่เช่นนั้นถึงจะไม่วัดให้ผู้อื่นเก็บจะไปก็ควได้ควนีนหมายหรือ ว, ว่าไม่ต้องอาบัต น, นะนก็ไปได้พอปวยไม่ขึ้นขอไม่เสียหายอยู่แล้วนะครับแต่การบอกแก่พิสูจเจ้าถิ่นก่อนจะเดินทางอันนี้เป็นธรรมเนียบที่ผู้ปฏิบัตินะครับมันต้องบอกลางก่อนแล้วก่อนจะไป ไม่ใช่แปลคาศุกษามาแล้วตอนไปก็ไปตี่ไหนก็ไม่รู้ครับมันดูเสียมล า, ายาใช่ไหมคนจะบอกร้านที่เจ้าถิ่นกอนตอนนั้นมันมีอยู่ทีหนึ่งนะครับผ้าลูกไม้ถ้ามานะถ้ามาขอพักนะครับมันก็อ่านกติกาให้ท่านฟังว่ามีอะไรอะไรว่ายี่งมันเจอกติกาข้อรักเงินทองนะนะแต่ว่าท่านท่านจะไปอยู่ท่า น, นจะมาอยู่เป็นเดือนหรือว่าครึ่งเดือนนะครับเพราะอ่านกติกาอ่านไปอามาขอเพียงแค่เจ็ดวัน เอาไปมาเหมือนเพื่อแค่สามวันนะครับแค่สามวันนะเอาไปมาเดี๋ยวแค่วันเดียวทีขา อ, อยู่วันเดียวเขาก็ให้เขาไปอยู่ในกตินะครับเอาไปมาอยู่ไม่ถึงวันเพ่งนะครับอยู่ไม่ได้ไม่บอกอไครเลยนะไปเลยเขาล่าไม่ได้เลคเับจะไม่ให้สนามนั่นสนามนี่อะไระของรังคีนะถ้าลไม่ได้่นไปเลยครับ ใช่ใช่ใช่ไนไม่พอนี่เราไม่สิดธอะไรนะหมายถึงเนี่ยท่านท่านไปท่านไม่ยอมบอกราเลย้าว่ามีใครเห็นเกิดและประเภทอาบัติในสิกขาบทนี้มนภาตเจ้าทรงปราลกพวกพิสุสัตตะสัมวคีฉับวคีนิเปลี่ยนเป็นสัตตะสัมวคี ในมื่อสามวถีทรงบรรยัญญติแล้วเพราะการลางเครื่องนอนไว้ในวิหารสงและไม่ยอมเก็บหรือไม่วางให้ผู้อื่นเก็บหลุกไปเสียเป็นสาธารณาบัญญัติที่สุนีก็มีนะครับอา น, นันติ ก, กาไม่เกี่ยวกับการใช้นะครับหมายความว่านะไอ้ไม่เกี่ยวกับการใช้หมายความว่าเราใช้เข้าไปทําอย่างนี้เองโดยที่เราไม่เกี่ยวนะอ้าวท่านจงไปนอนบุติกแล้วแล้วก็ปูลากไปเลยแล้วก็ไม่ต้องเก็บนะ <c oughs> ไอ้เราก็ไม่เกี่ยวนะเราใช้นี่เป็นอาบัติแต่ใช้แค่ปูร่าของเราในี้แหละ<ม>ติกะปาจิตีนะครับติกะปาจิตีเพราะว่าเป็นของสองนะครับกุฏิของสองนะต้องใจสงสัยสําคัญผิดนะครับนี่ต้องแบบเท่านั้นนะครับไปปูร่าแ ล, แล้วไม่อยาเก็บเพราะงั้นยังจะรู้ไม่รู้เราปูร่ามาแล้วเนี่ยถ้าไม่เก็บของสองก็เสียหายนะครับ ที่นอนคือวิหารนะส่วนบุคคลนะวิหารส่วนบุคคลของที่สุอื่นเป็นติตกะทุกกถ้าเป็นกุติของโพส์หรือเป็นกุติส่วนตัวเข้านะอันนี้ก็ยังต้องบัตรทุกตเนะครับเพราะของเขาก็จะเสียหายล่าเอ็นหรือให้ผู้อื่นลาที่นอนข้างนอกนะครับใกล้ๆวิหารที่มีลักษณะลังกามาก็ดีในสาราลงฉันก็ดี ในมณฑลที่บางและไม่ได้บางก็ดีที่โคนไม้อันเป็นที่ชุมุนชนก็ดีนะครับอันนี้อเช่นกันนะอันนี้นะครับท่านมื่อไปปูในปุติแล้วนะแต่ถ้าไปปูนะครับหนึอุปจาระของวิหารนะของปุติมายถึว่าปูข้างนอกปุติเลยแต่ใกล้ๆบริเวณปุตินะครั บ, ห ร, ปปนนบนะหรือว่าไปปูในนองฉันในมณฑลปะลํานี่นะหรือว่าแม้ใต้ต้ตนไม้นะครับ เมื่อหลุดไปแล้วก็ไม่ยอมเก็บไม่ได้หมองไม้นะอันนี้ต้องมาทุกกบทาไมอาบัดเบาลงล่ะทั้งไปปูนอกกุฏิแล้วนะมันน่าจะโดนลมนุ่งฝนดนแดดใช่ไหมครับอนนั้อันนี้นะทําไมเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ถ้าบอกว่าเป็นอย่างนี้ครับชี้บายนะคือถ้าปูในกุฏิเนี่ยปูในกุฏิเนี่ยที่ฝนมันจะขึ้นได้นะฝนมันจะขึ้นมากินสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ กินกุฏิไปข้าหลังเสียหายไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าปูว่าข้าง น, นอกนะ่ยมันก็เสียหายในพวกของแหลกนะครับกุฏิมันได้เสียหายไปด้วยนะเพราะท่านไม่ได้ปูข้างในกุฏินะครับปูจะกินวก็กินแต่พวกนั้นใช่ไหมมันไม่ได้ล้างข้างกุฏิด้วยเพราะาปูไว้ข้างนอกนะครับพราะนช้อาบัก็เลยเบาลงเนี่ยท่านพูดไว้อย่างนี้นะก็พอเมื่อพิสูจปูร่าที่นอนสิบอย่าง มีประการที่กล่าวแล้วในภายในห้องนะครับในต้นและในที่ค้มกันได้แล้วไปเสียคือเสนาชนะกติวิหายที่มีที่มุงที่บางเนี่ยนะมันค้มกันได้ค้มฝนได้นะครับผัวมันก็คือไปขี่นัสบายแล้วก็ลาไปหมดเลยนะนี้ที่นอนก็ดีเสนาชนะก็ดีย่อมเสียหายเพราะผัวเป็นต้นจะกลายเป็นจองปวกไปทีเดียวนะครับมันจะลากี่ไปหมดข้างหลังเลยนันเสียนะครับ ฉะนั้นข้างกิน ป, ปักปลาจิตตีแต่สำหรับที่สุผููกไว้ในที่มน่ามีอยู่ประกานสาราเป็นต้องในหอฉันเป็นต้องนี้เขาไปกรูไว้นะหอชันสมัยก่อนไใ้ท่อพื้นเมืงเป็นดินนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นท่อที่มันเติดนเลยที่ไม่เท่าถ้าเป็นโลงแล้วก็จะเน้ถึงท้ามันจะ ก, กว้างเหมือนกันนะหอชันมันดีกว่า จ, จะโล่งนิดนะ่ะหรือไม่ต้องก็แล้วแต่มันจะกว้างเหมือนกันนะคอยกรูไว้ตรงกลางนี้น่ะ กลัวมันก็ไม่ได้รานทั้งหมดใช่ไหมครับมันก็จะกินเนี่ยตรงนั้นนะเมื่อเหมือนกันในกุฏิกันดล้หลัมแต่รามาอยนี้มันใหญ่มากใชครับมันก็จะรานมหมดเลยเนี่ยไว้ที่ประสาทสารเป็นต้ออ น, นอ๋ในนอในภายนอกนะครับแล้วไปในภายนอกนั้ะเพียงแต่ที่นอนเท่านั้นเสียหายไปเพราะสถานที่คุ้มกันไม่ได้มันคุ้มฝนคุ้นอะไรไม่ได้ทำทีสีรษะหนะ า, นาไม่เสียหาย เพราะฉะนั้นท่านจึงปรับเป็นผู้กดนะครับในอุปถาสาลาเป็นต้นก็เพรตัวโผู้ทั้งหลายไม่อ่จเอาในนิเคนนิเนนะในลมฉันบนดกที่ตั้งต้นไม้นี่ก็เหมือนกันไม่ต้องพูดถึงเลยนะถ้าจะพูไว้ที่โคนต้นไม้เนี่ยมันจะเพราะของนั้นทช่มิรักเสียหายไปเฉะนั้นไม่เก็บกันเลยอาัก็เลยบอกว่าอันหนึ่งตั้งแองหรือใช้ทุ่นตั้งเตียงตังในวิหารนะครับ แลกในที่ใกล้วิหารตาที่กล่าวมาไม่ยอมเก็ตเป็นต้นแล้วไปเสียต้อมบัตททุกฏ น, นะครับน mm hmm. ถ้ายูร่าไเครื่องนอนสิกอย่างมันเกี้่นะแล้วมันเก็ตเป็นอาบาัตปาจิตตินะครับแต่ถ้าปูล่าเตียงต่างอาบัตบาลุแค่ทุกฏ น, นะทําไมถึงบาหนลุครับเพราะว่าเตียงต่างมันแข็งปูร่ามันกันนะไม่หรือง่ายๆนะที่ไม่ไไมมต้องใช้เวลานะครับ นันเนี่ยถ้ามอกว่าก็เพราะตัวปววทั้งหลายไม่อาจเพื่อจะกัดเตียงต่างทันทีนะครับ mm hmm. มันต้องใช้เวลาก่อจะยอ่อในทั้งอันนะนั่นนะฉะนั้นพิสูวางเตียงต่างนั้นไว้แม้ในวิหารแล้วไปท่านก็ปรับทุกกฎนะครับหรือแม้วางไว้ข้างนอกก็เป็นทุกกฎนะเพราะอะไรครับส่วนในอุปจาระแห่งวิหารข้างนอกที่กล้ๆกล้ตินะนะพวกพิสูุแม้เมื่อเที่ยตตวตรวจดูวิหารเห็นเตียงและต่างนั้นแล้วจัะเก่ง ก็เอกพิสูจสำเณาเห็นอะใครมาตั้งปกติแล้ข้างนอกอะรเขาก็จะช่วยเก็บให้นะคนี่นะความเสียหยาไม่เกิดมาก อ, อ, อาบัตก็เลยเบาลงเป็นทุกกอดนะ<ม> อ, นอาบัต น, นะครับพิสุไม่ต้องอาบัตเมื่อปูไว้ในวิหารของตนนะครับนม่เป็นไร ห, หรือในวิหารของพิสุผู้คุ้นเคยกันก็ได้ทำการเก็บเป็นต้นแล้วจึงไปมดทุลางเกี่ยวกับที่นอนนั้น พ่อมีพูนจะมาใช้แทนครับแล้วก็ไม่เกียรแล้วก็ให้แทนไปเลยให้รับผิดชอบไปนะครับนี่เราก็หมดทิ้งร้างทอ่ารตังในก่อนแล้วทิ้งไปเสียครับิดว่าจะมาเก็บภายในวันนั้นแล้วไปยังแม่น้ำหรือในบ้านคิดว่าจะไปต่อหยุดอยู่ณที่นั้นบอกกล่าวมอบหมายนะครับมายความท่านออกไปนอกวันแล้ว น, นะตอนแรกไม่ได้คิดจะไปเลยเหรอ ที่ว่าจะไปวิเทอรบานแล้วก็ไปแหว น, น, นตรงนี้แล้วก็จะกลับมาเลยนะครับแต่ทีนี้พอไปปุ๊บแล้วก็ไม่กลับนะ <c oughs> จะเลยไปเลยนะครับหรือว่าเกิดอันะอันนี้นะเอามาอแาบจะเลยไปเลยแลที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่กลับแน่นะครับแต่ท่านก็ยังไม่ไปนะก็บอกมั่งอะไรก่อนแล้วก็ไปต่ออันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องลำบากนะครับเพราะใจตอนแรกที่เดินจากว่า น, นี่ยยังม่นที่จะไปเลยใช่ไหม ขึ้นความคิดที่ว่าจะไปอะไรจะไม่กลับวานน่ะมันเกิดขึ้นตอนที่ออกไปแล้วมันกลับมาเกิดน้าท่วมและโจรป็นต้นขัดขวางอยู่กลับมาไม่ได้นะครับท่านไปค่อนข้า ง, างน้าํะไปฟังเนี่ยมันก็จะกลับมาอีกนะครับแต่กลับมาไม่ได้เพราะเกิดอันตรายนะน้ําท่วมน้ําหลากอย่างไรนะมีพวกโจรมาขัดขวางนี่นะกลับไม่ได้นี่คืออะไรเกิดอันตรายแก่ชีวิตพระอรหมจันทร์ อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเรารู้ว่าถ้ากลับมาว่านี่โดนแน่นะครับจะเม็นต่างาถึงชีวิตนะยูพอมอาจารย์นะครับคนจะมาจับสึกอย่างนี้นะแรกที่สู่บ้านเป็นต้นก็ไม่ต้องอ่านบักรนะครับสมัยก่อนยังมีนะพวกยีากจะมาจับตัวพ่สูจน์ะครับจับตัวกลับมาศึกนะไม่ย่อเป็นผ้าเลยไม่รู้นะเนี่ยจะมาจับตัวกลับไปนะครับเนี่ยนี่นะ นั่นไม่ได้ถ้าไม่คอบองค์ก็ไม่เป็นเสือกนะอันนี้บางทีคนก็ไม่มีสัมผัสก็ไม่สนหรอกยังี้ยกลไปช่วยงานที่บ้านกลับไปนะถ้าไม่คอบองไม่เป็นน้าใจให้มายินดีไม่คิดที่จะเสือกในเงี้ก็มันเป็นหรอกแค่เปล่งวาจานี่ก็ยังไม่นีครับมันต้องมีใจด้วยองอาบัตนะครับคับกว่านี้มีองเจ็ดคือหนึ่งที่นอนลักษณะตามที่กล่าวมาแล้ว ก็คือสิบอย่างนะสองที่นอนนั้นเป็นของสองสงด้วยสามล่าดเองหรือใช้ผู่ราในวิหารซึ่งมีลักษณะาตามที่กล่าวมาแล้วก็คือที่ปวงมันจะขึ้นได้นะครับสี่ไม่ได้มีผู้อื่นมาแย่ไม่ได้มีอะไรนะอิสุดที่พันสามารถเกาะ อ, อะไรนี้นะครับมาแยกเอาไปนะห้าไม่มีอันตรายหกหลุนไปที่อื่นโดยไม่กิจะกลับมา ถ้าเราี่จะกลับมาบิดาบายเฉยไปเไยนะเจ็ดเลยประจานาศีมาไฟนะคะเลยเขีนเยนวาดไฟอะไรเมื่อครบองเจ็ดนี้ก็ตามบัดไฟตีในสิขาบท น, นี้นะครับซึ่งเหมุนธารกันต้นมีในตาที่การไปแล้วในสิขาบทที่ผ่านมาแล้วจบการที่บายเซนาสนะสิขาบทที่สองจบนะครับขอผู้นุ่นไไพพงสำนีไม่ได้ มันจะมีพวกที่ย่างด้วยผ้าด้วยใบไม้พวนี้นะถึงจะใช้ได้นะผมนะย่างด้วยขนตักก็ได้ขมแกย่ยดลงัวไปแต่เว้นผมมนุษย์น ะ, ะใช้ยัดผมไม่ได้ย่างด้วยในสมัยนี้ฟนะองน้ํา่าสังขรก็ไม่เป็นไรนะครับหั่นแล้วนึ่งสำลีแล้วก็ผมมนุษย์อนี้